ข้อความในไม่เลนถ้าปัญหาหน้าหนึ่งร้อยนะกรรมมัชาที่ปัญหาพระคุณเจ้าหน้าเกษบรรดาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อะไรเป็นสิ่งที่เกิดจากกรรมอะไรเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุอะไรเป็นสิ่งที่เกิดจากอุตุอะไรเป็นสิ่งที่ไม่เกิดจากกรรมไม่เกิดจากเหตุไม่เกิดจากอุตุจึงปัญหาอ น, นี้ก็เชื่อมาจากปัญหาที่แล้วเนี่ย ปัญหาที่แล้วคำถามที่ที่ถามบอกว่าสิ่งที่เกิดจากกรรมก็ปรากฏสิ่งที่เกิดจากเหตุก็ปรากฏสิ่งที่เกิดจากอุตตก็ปรากฏทีนี้สิ่งที่เกิดจากกรรมคืออะไรคำถามว่าสิ่งที่เกิดจากกรรมคืออะไรสิ่งที่เกิดจากเหตุคืออะไรสิ่งที่เกิดจากอุตุคืออะไรและอะไรเนอะที่ไม่ได้เกิดจากกรรมเหตุและอุตุขอถวายพระพรมหาบพิตร สัตว์ผู้มีเจตนาทั้งหลายทั้งปวงล้วนเป็นสิ่งที่เกิดจากกรรมเนี่ยนะก็คือพวกอะไรพวกอย่างเนี้ยสัตว์ในภพสามกำเนิดสี่คติหเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากกรรมทั้งนั้นนะสัตว์ในภพสามกำเนิดสี่คติห้าเกิดจากเจตนาเจตนานี่แหละเป็นตัวตกแต่งให้สัตว์เกิดในกาลมาภพรูปภพและอารมป์ภพทั้งหลายส่วนไฟและพืช ทั้งมวลเนี่ยนะทั้งหมดพวกนี้เกิดจากเหตุอย่างเช่นไฟก็เกิดจากเหตุของไฟพืชก็เกิดจากเหตุของ<ม>พืชส่วนแผ่นดินภูเขาน้ําลมทั้งหมดล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากอุตุเนี่ยนะสิ่งซองอย่างเหล่านี้คืออากาศและพระนิพานเป็นสิ่งที่ไม่เกิดจากกรรมไม่ได้เกิดจากเหตุไม่ได้เกิดจา ก, ก, กอุตุ น, นะอากาศกับพระนิพานเนี่ย เป็นที่เรียกว่าอสมุฐานนะกันแต่ไม่มีสมุทฐานไม่มีบอกเกิดไม่มีสิ่งที่สร้างขึ้นมาขอถวายพระพรก็แลพระนิพพานใครใครไม่ควรกล่าวว่าเกิดจากกรรมไม่ควรกล่าวว่าเกิดจากเหตุไม่ควรกล่าวว่าเกิดจากอุตุแล้วก็ไม่มีใครสา ม, มารถที่จะกล่าวว่านิพพานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนิพพานไม่ใช่สิ่งยังไม่เกิดขึ้นหรือนิพพานเป็นสิ่งที่สร้างให้เกิดขึ้นได้ หรือว่านิพานเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนิพานเนี่ยใช้ตามองเห็นนะใช้หูฟังใช้จมูกดมใช้ลิ้นชิมหรืออาศัยกายวิญญาณไปรับสัมผัสก็แต่ว่าพระนิพานอันมโนวิญญาณคือมรรคผลเนี่ยนะเพ่งรู้ได้นิพานนั้นเป็นสิ่งที่พระอริยาสาวกผู้ปฏิบัติชอบปฏิบัติชอบก็คือปฏิบัติในการเจริญสิกขาสามเนี่ยนะปฏิบัติในการ แทงตลอดอริยสัจสี่นั่นแหละจะเห็นด้วยยานที่หมดจดก็คือยานในโสดาปฏิมัคสกาทาคามิมกักอนาคามิมัคและอรหัตตมักพระเจ้ามิลินก็ถามว่าคือพระเจ้ามิลินก็ยอมรับะนะว่าพระคุณเจ้าน่ากเกษณ์ปัญหาที่น่ารื่นรมใจปัญหาที่น่ารื่นรมใจก็แปลว่าคำถามที่น่าสบายใจนะคำถามคถามเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเนี่ยนะ มาเช่นชมนะว่าถามดีอ่ะนะแต่คาถามก็อบอกปัญหาที่น่าเรื่นรมใจนี่แปลว่าคนถามถามดีมากท่านก็ได้วินิจฉัยดีจนหมดจดหมดความสงสัยตอบได้อย่างแนนอนใจได้ความเคลือบแคลงคลางใจก็ถูกท่านตัดเสียแล้วนี่นะพูดจจ่ชมตัวเองอยู่คนเดียวเลยนะเนี่ยนะคือคือชมว่า ข้าพเจ้านี่แหมเก่งมากเลยถามนะท่านยังตอบได้นะก็ยกตอบอีกหน่อยหนึ่งก็คือสรุปว่านับว่าท่านเป็นผู้ประเสริฐยอดเยี่ยมองคอาจในหมู่คณะนะก็เก่งนะนะเพราหลายๆอย่างถ้าไม่อาศัยมิลินทปัญหาเนี่ยก็ไม่ใช่วิสัยอยู่แล้วละนะนะแต่เรียนตามก็ยังไม่ค่อยจะรู้เลยว่าท่านบอกอะไรเราเนี่ยนะคือคือคือไมลินทปัญหาเนี่อบางทีนะบางอย่างเนี่ยไอ้ที่ท่านถามนะถ้าเราไม่ไม่ดูให้ละเอียดไม่อ่านอัตถกถาไม่ประกอบเป็นต้นเน่ยนะ ไม่รู้ว่าเขาถามะคนถามถามอะไรเลยเหมือนกันเอ๊ะทําไมเขาถามอย่างนี้เอ๊ะแล้วทําไมเขาตอบอย่างนี้ไม่คําถามก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเลยวนะ่าไงในพระสูตรอีกก็หลายสูตรเหมือนกันเนยนะบางทีเนี่ยไอคนที่เขามาถามเนี่ยอะไรเนาะชัดทั้งภายในชัดทั้งภายนอกถ้าไม่ดูตอกสารไม่รู้หรอกว่าไอชัดเนี่ยมันอะไรมันชัดอะไรมันรกอะไรมันชัดก่อใหม่รู้เนี่ยนะมันก็มีหลายๆเรื่องเนี่ยคนสมัยนั้นเขาถามเขาถามเ้าตอบเนี่ยนะแค่จะให้เข้าใจว่าไอที่เขาถามถามอะไร แล้วที่เขาตอบตอบอะไรก็ถือว่าคนบุญน้อยทั้งหลายเนี่ยนะเหมือนทำยากเหมือนกันนะอั น, นะจะจำก็ายากจะเข้าใจก็ายากจะรู้ก็ายากไอ้ากรู้แล้วก็ทำตามก็ายากอย่างนั้นแหละนะก็ไอ้ที่เขาบอกว่าความดีคนดีทำได้ง่ายนคนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายความดีอะไรนะความความดีความชั่วเนี่ยนะ คนดีทําได้ยากหรือว่าคนชั่วความชั่วคนชั่วทําได้ง่ายแต่พระเยซูเจ้าทําได้ยากแต่เขาบอกว่าถ้าเราชั่วอะไรนะทําดียากยากไงก็แสดงว่าเราก็บอกได้แล้วย้อว่าใครอ่ะ น, นะ <c oughs> <c oughs> นะก็บอกว่าถ้าบอกตัวเองนะยอมรัเออฉันก็เหมือนอยากจะดีเท่าไหร่นะแต่พูดได้นะคนอื่นห้ามบอกนะเออในสมมุติถ้าเราสมมุติถ้าเราเป็นคนขี้กโกรธนะ เราบอกแม่ผมเป็นคนขี้โกรธพูดได้แต่คนอื่นห้ามบอกว่าเราเป็นคนขี้โกรธน ะ, ะห้ามพูดเด็ดขาดถ้าพูดไม่ได้เนี่จะโกรธนะนะก็คือทุกอย่างว่าั้นเราก็แบบปุ๊เราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะอะไรพูดอย่างนี้พูดเองได้ไหมคนอื่นไอคนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะโกรธมากเลยนะพูดไม่ได้นะคนอื่นห้ามพูดเด็ดขาดบางอย่างนะพูดรับหลังถ้ารู้อีกก็โกรดอีกเนี่ยน ะ, ะสะเพสตาหารติติกาจริง